ก็เราได้รมวัดสดมนต์ตาปกติซึ่งก็ในคำสอนที่ผู้ทีเจ้าอ่านสอนเป็นภาษาบาลีแล้วก็มาสวดเป็นภาษาของเราแปลนี่เพ anyway ื่อที่เราได้ฟังบ่อยๆได้ซึมซับบ่อยบ่อยมันก็จะเป็นกุศลและสัญญาคือความจำหมายที่เป็น ฝ่ายที่เป็นกุศลเพราะจิตของเราที่มันคิดไปเรื่องอกุศลเนี่ยถ้ามันมีตัวกุศลชั้นยาได้แทรกซึมอยู่บ้างเนี่ยมันก็จะกลับมาได้ได้สติได้ไวขึ้นนะเมื่อสิ่งเหล่านี้มันเข้าไปในจิตในใจเราบ่อยๆจนเราระลึกอะไรก็ออกมาเนี่ยเป็นคำสอนพระเจ้าบ่อยเข้า ตัวนี้ก็จะไปทดแทนความคิดที่มันไม่เป็นกุศลเป็นฟุ้งซ่านเป็นคิดเลื่อยเปื่อยคิดไร้สาระต่างๆมันก็จะวกเวียนได้มาเ ล, ลึกถึงกุศลที่เราได้สวดไปเนี่ยไม่ว่าเป็นคาสวดคำแปลคำอะไรต่างๆมันจะต้องซึมซับลงในจิตวิญญาณของเราบ้างไม่มากก็ น, น้อยจะทำให้เราเ ล, ลือกถึงแล้วก็ยิ่งคนที่มี จิตเป็นกุศลมากขึ้นก็สามารถนำเอาหข้อธรรมที่เราสวดมาเนี่ยมาใครครวพิจารณาได้ด้วยนะแล้วเข้าใจแล้วคนที่มีกุศลมากขึ้นอีกก็นำเอาหข้อธรรมที่เข้าใจแล้วลรงมาประยุกใช้มาประยุกใช้ให้เห็น <c oughs> ให้พิกษุน์ให้เห็นผลที่ท่านตรัสไว้ได้เนี่ยเราจะเห็นว่าแม้ตะกุศลแต่และคนก็จะมีชั้นไม่เท่ากันนอกจากเราจะได้ซึมซับในสิ่งที่เป็นกุศลแล้วเราก็ยังนําเอาสิ่งที่ซึมซับเนี่ยมาบ่มเพาะให้แตกองอกออกรากให้เติบโตขึ้นได้เหมือนกันนะ <c oughs> อะอย่างบทที่เราสวดล่าสุดไปเมื่อกี้เนี่ยว่าบัทนี้เราขอเตือนท่านทั้งหลาย ว่าสังขารทั้งหลายทั้งปวงมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาท่านทั้งหลายจงทำความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมเนี่ยเป็นประชิมเอวาฏ ด, ด้วยนะว่าสังขารทั้งหลายถึงสิ่ที่เรพูดถึงตอนเช้าสิ่งที่มันปรุงแต่งแปลปวนเปลี่ยนแปลงอยู่แต่ลเวลานี่เรียกว่าสังขารนแล้วก็เสื่อมไปท่านทั้งหลายจงทำความไม่ประมาทให้ถึงพร้อม หมายความว่าเราจะต้องมีสติอยู่เสมอ <c oughs> การไม่ประมาทคือการไม่ขาดสตินะพอเรามีสติอยู่เสมอเราก็จ ะ, ะสามารถที่จะสั่มแซมชะลออ่าความเสื่อมความแปรปรวนของสังขารเนี่ยให้ช้าลงได้นที่เราไม่ประมาทเพื่อที่จะ <c oughs> ไม่ให้กายให้ใจของเราเนี่ยถูกอ่า ลงถูกความแก่ความเจ็บความตายครอบงําไปจนไม่เหลืออะไรแต่พอเรามีสติรู้เท่าทันขึ้นมาบ้างเนี่ยจิตของเราที่มันแก่มันเจ็บมันตายคือมันเกิดมันดับเนี่ยมันก็จะมีช่องว่างที่เป็นเรียกว่าไม่แปรปรวนได้เหมือนกับว่าการเกิดการดับเป็นหัวท้ายเป็นขั้วสุดท้ายของ วัตถุชิ้นหนึ่งในระหว่างกลางคือความแปรปรวนนะ <c oughs> ถ้าแปรปรวนมากนานช่องว่างระหว่างกลางก็ยาวกว้างขึ้นถ้าเปลี่ยนเปลี่ยนน้อยดับไปแปรปรวนน้อยดับไปช่องว่างก็จะแคบเข้ามาทีนี้ตัวช่องว่างที่มันแปรปรวนมากน้อยตามกําลังของสติเราก็ต้อง สามารถเปลี่ยนแปลงไอความแปลปลวนเหล่านี้ให้มันเป็นความรู้ศึกให้มันเป็นตัวสติสมาธิปัญญานั้นการเกิดการดับก็เป็นการเกิดกำบับที่ประกอบด้วยวิชาเพราะในท่ามกลางมันเป็นตัวอุศนแต่ถ้าเมื่อใดในท่ามกลางเป็นอุศลมันก็เป็นการเกิดดับของอวิชาเกิดดับของตัณหาเกิดดับของอุปทา น, นาการเกิดดับแบบนั้นก็ไม่เป็นประโยชน์ นะนำไปสู่ความแก่ความเกี่ยวความตายนำไปสู่ความเสือ่อมความทุกข์เพราะฉะนั้นเราจะรู้ว่าชีวิตใครเจริญชีวิตใครไม่เจริญก็ดูตรงนั้นดูช่วงที่เขาไปเกี่ยวข้องกับความแปรปรวนระหว่างการเกิดดับเนี่ยว่าใครเกี่ยวข้องได้โดวยวิชาและอวิชชาบางคนก็มีวิชามากมีอวิชาน้อยบางคนมีอวิชาน้อยมีวิชามาก บางคนก็ไม่มีทั้งไม่แน่ว่าเป็นวิชาหรืออวิชาบางคนก็มีทั้งสองอย่างบางคนก็มีอวิชาฝ่ายเดียวบางคนก็มีอวิชาฝ่ายเดียวมีวิชาฝ่ายเดียวบางคนก็มีวิชาอย่างเลยครึ่งอวิชาอย่างลายครึ่งอย่างเงี้ยซึ่งนี่มันจะบอกถึงสตาชีวิตบอกถึงความสุขความทุกข์บอกถึงความสงบไม่สงบของแต่ละคนะซึ่งเป็นเรื่องที่ นะ่าศึกษานะถ้าเราไม่ปฏิบัติเราก็อาจจะไม่เห็นความสาคัญเรื่องนี้แต่ถ้าเราได้ปฏิบัติได้เข้าใจแล้วเราก็จะเห็นความสาคัญว่าชีวิตที่ผ่านไปนี่ไม่ใช่เรื่องธรรมดามันเป็นสังขารก็จริงแต่ว่าในตัวความแปรปรวนของสังขารเนี่ยเราสามารถเข้าไปมีบทบาทต่อรองอะไรได้บางอย่างนั่นเรามีกำลังของสติ ท่านหลายจงเจริญสติตลอดเวลาคือทำความไม่ประมาทถึงพร้อมก็หมายถึงจุดนี้จุดที่มีสติสมาธิปัญญาเข้าไปาจัดการความแปรปรวนเปลี่ยนแปลงเนี่ยให้มันเป็นในฝ่ายกุศลคือฝ่ายวิชาชีวิตของเราก็จะเต็มไปได้วยความอารอบรู้ในกองสังขาร ในสังขารทั้งหลายทั้งปวงแล้วรอบรู้หมดว่ามันไปยังไงมายังเกิดยังไงดับยังไรมันจะเป็นของเป็นเหตุของสุขของทุกอย่างไรเป็นเหตุของกุศลอกุศลอย่างไรนี่มันจะรู้เมื่อรู้อย่างนี้ชีวิตมันก็จะเกิดการปล่อยวางเกิดการไม่ผูกพันด้วยความแปรปรวนและเปลี่ยนแปลงต่างๆมันก็ทํางานไปแล้วก็เปลี่ยนแปลงไปเหมือนกับไฟที่มันถูก เปลี่ยนแปลงให้เป็นกระแสของไฟฟ้าที่นำไปใช้ได้หลากหลายประโยชน์ไม่ใช่ทาหน้าที่เผาไหม้อย่างเดียวมันทำหน้าที่เป็นแสงสว่างก็ได้ทำหน้าที่เป็นแอร์เย็นๆก็ได้ทำให้พี่เป็นตัวอ่านสัญญาณสื่อสัญญาณคอมพิวเตอร์ต่างๆออกมาเป็นภาษาก็ได้อันนี้คือตัวไฟที่เราเข้าใจและใช้ถูกต้อง สามารถได้ประโยชน์จากมันหลากหลายที่ตัวสภาวะธรรมหรือตัวจิตของเราที่เป็นพลังงาน <c oughs> เป็นเอเน g ีเนี่ยถ้าเราเข้าใจมันถูกต้องมันก็สามารถที่จะใช้กำลังอันนี้ให้เกิดคุณธรรมมากมายให้เกิดศีลเกิดสมาธิเกิดปัญญาเกิดเมตตาเกิดขันติเกิดวิริยะสันทะเมตตาอะไรเนี่ยเกิดไปเรื่อยๆเพราะว่าเราแปลงใจส่วนที่เป็นลบให้เป็นบวกได้ เพราะชีวิตของเราเนี่มันมีความลบความแก่ความเจ็บความตายเป็นพื้นฐานความโลภความโกรธความหลงเป็นพื้นฐานปัญหาวิชาปัญหาประธานเป็นพื้นฐานเมื่อเป็นพื้นฐานแล้วเราก็สามารถที่จะมาทําตัวรู้เนี่ยบ่อยๆเพราะตัวรู้มันบ่อยๆก็แปลงตัวไม่รู้เรื่อยๆนะเดินเก้าหนึ่งรู้ก็แปลงเก้าหนึ่งเดินสองเก้ารู้ก็แปลงสองเก้า บางครั้งเดินไปห้าเก้าแล้วเพิ่งรู้รู้ตรงไหนมันก็เปลี่ยนแปลงตรงนั้นแหละนะรู้ตรงไหนก็เปลี่ยนแปลงซึ่งก็ไม่ยากนะมาเคยฟังนิทานเรื่องหนึ่งที่ว่าแต่ว่าน่าคิดนะว่านอนทั้งหลายเนี่ยที่เป็นนอนผีเสือ้อ ในสมัยที่มันพูดกันรู้เรื่องเนี่ยเขาบอกว่าตามนิทานเขาเล่าว่าหนอนทั้งหลายเนี่ยเมื่อถึงฤดูการเขาจะไปขึ้นพากันไต่ขึ้นบนยอดเขาแห่งหนึ่งเมื่อไปถึงยอดเขาเนี่ยมันจะพบอากาศที่ดีสามารถเปลี่ยนตัวมันจากหนอนดักแด้เนี่ยให้เป็นตัวผีเสื้อได้นะทีนี้พอถึงฤดูการ พวกดักได้หรือนอนพี่เสื้อทั้งหลายก็พากันไต่ขึ้นเขาลูกนี้บางตัวขึ้นไปแล้วไม่รอดก็มีตายก็มีเพราะเด็ดเหนื่อยหมดอาหารหมดเสบียงหมดแรงซะก่อนบางตัวขึ้นไปก็เกิดไปกัดไปเลาะกันกลางทางกัดกันตายกลางทางก็มีบางตัวขึ้นไปกเกือ บ, บถึงแล้วถูกมแมลงอื่นไปกินถ้าก็มี บอกว่าน้อยตัวมากที่ขึ้นไปถึงยอดเขาแล้วกลายเป็นผีเสื้อไดอ้เพราะว่าีเสื้อมันเป็นโดยโดยจะโดยนัดหมายหรือไม่นัดหมายก็ตามเมื่อถึงฤดู ก, ล ก, กาลมันจะขึ้นไปบนภูเขาลูกนี้ฉันบอกว่าเรื่องนี้ฉันใดมนุษย์ทั้งหลายก็เหมือนกันฉะนั้นเหมือนกระดักได้ผีเสื้อที่เราพยายามที่จะไต่ขึ้นไปสู่ที่สูงไต่ขึ้นมาอยู่ที่สูง สูงด้วยลักษณะทางสูงฝ่ายสมมติก็อยากจะมีราบมียศมีชื่อเสียงมีสริทสริญมีสุขพอไปถึงที่สูงแล้วมันก็ปรากฏาบางตัวก็ขึ้นถึงบางตัวขึ้นไปถึงพระโอษักร์ต่างๆบางคนกําลังหาเงินหาทองอยู่ดีๆก็เกิดอุโอษักษ์รถคมตายบางคนกําลังหาเงินทองกําลังรุ้งเรืองอับไปโลกค่อยๆเจ็บตายบางคน กำลังรุ่งเรืองอยู่ก็เกิดถูกฆ่าตายกำลกงกำลังรุ่งเรืองอยู่ถูกภัยพิบัติทําร้ายอย่างเงี้ยก็ไม่ไม่รอดนะ <c oughs> แต่นี้ในแง่ของสมมุติเนี่ยแม้จะขึ้นไปถึงยอดแล้วมันก็ยังไม่เปลี่ยนแปลงบางตัวขึ้นไปถึงยอดแล้วบอกไม่มีอะไรก็กลับลงมาแต่มีบางตัวเนี่ยขึ้นไปถึงยอดเขาแล้วเนี่ยมันไม่พอใจเพียงแค่นั้น มันต่อด้วยการขึ้นต้นไม้นะในยอดภูเขามีต้นไม้อยู่มันไต่ต้นไม้ขึ้นไปมันไปกินใบไม้ตรง น, นั้นนะปรากฏว่ามันแปลงตัวเป็นผีเสื้อได้เลยแต่บางตัวขึ้นไปถึงยอดเขาแล้วก็ไม่เห็นว่ามีอะไรก็เดินกลับแต่บางตัวไม่ยอมไปถึงยอดเขาแล้วยังไต่ต้นไม้ขึ้นไปก็ปรากฏว่าพอไปขึ้นต้นไม้กินใบนั้นแล้วก็เกิดแตก ปีกแตกกิ่งแต่ก้านก็บินออกไปเลยเห็นไในตรงนี้ท่านสมมติว่าเราขึ้นไปถึงยอดของภูเขาแล้วเนี่ยท่านบอกคือเป็นสมถะอยู่แต่บางตัวไม่ติดอยู่แค่นั้นยังสามารถปีนขึ้นต้นไม้ขึ้นไปอีกหมายความว่านั้นหมายความว่ายกตัวสมถะสู่วิปัสสนาสามารถขึ้นสูงไปกว่านั้นอีกขึ้นไปถึงที่สูงก็บินได้นะ หมายถึงว่าเมื่อยกจิตเข้าสู่วิปัสสนาแล้วเนี่ยก็สามารถได้รับความเบาสบายเหมือนเราอยู่ในที่สูงความเบาสบายของจิตเพราะไม่ติดภาวะที่เป็นรูปภพอรูปภพก็จิตก็แปลสภาพเป็นจิตที่เบาปลงสบายก็สามารถที่จะอยู่เหนืออารมณ์ที่หนักได้ อารมณ์ที่หนักคืออารมณ์ที่เป็นโลกธรรม ท, ทั้งหลายสุกทุกสรรเสริญเสื่อมราบเสื่อมยศได้ราบได้ยศเนี่ยเป็นโลกธรรม ท, ที่หนักแต่พอจิตของเราเข้าสู่วิปัสสนาก็คือจิตไม่หนักหน่วงด้วยสิ่งที่เป็นรูปหรือนา ม, มาลูปทั้งหลายจิตก็มาอยู่กับตัวสภาวะนามธรรมา ท, ที่เป็นปรมัติเรียกว่าจิตก็เบาโปรง่ปรงเบาพร้อมก็เกิดปีติเกิดปัชรทิขึ้นมา ได้ไม่ยากนั่นก็หมายความว่าเขาจะแปลงตัวเป็นผีเสือ้อคือบินอยู่เหนือโลกธรรมนั่นเองอันนี้คือปริศนานิทานสั้นๆแต่มีความหมายมากนะ <c oughs> เพราะฉะนั้นเราจะสามารถยกจิตของเรานะอยู่เหนือความคิดได้ไหมยอยู่เหนืออารมณ์ได้ไหมให้มาอยู่กับตัวรู้ที่มันเป็นเสมือนปีกเสมือนปีกทั้งสอง นะตัวรู้ที่เกิดจากสติสัมปชัญญะนะนั้นเวลาทำเนี่ยเราก็ต้องทาไปเรื่อย อ, อย่าไปท้อเหมือนตัวนอนขึ้นปีนขึ้นดอยขึ้นเขาให้ไปถึงยอดให้ได้แต่ไปถึงยอดแล้วรู้สึกวันยังไม่เพียงพอก็ขึ้นต้นไม้ต่อนะมันก็โอกาสที่จะเพียงพอไปถึงตัวสมถะแล้วยังไม่ไม่พอใจมีโอกาสจะทำต่อไปได้อีกก็ทำต่อปีนต้นไม้นะ คือวิปัสนานะเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วเราก็จะให้ความสำคัญกับาการขึ้นไหวซึ่งเปรียบเส ม, มือนเป็นนอนผีเสื้อที่เรากำลังไต่กระดุบกระดุบขึ้นเขาไป น, ะนั่นเองคือการพยายามต่อสู้บางครัง้งบางคนไปถึงโูกลางเขาก็เดินลงบางครั้งก็ตายบางครั้งก็ป่วยบางครั้งก็ทะเละาะเกาะ ก, กินกันนะ การคนปฏิบัติบางคนก็ท้อก็เบื่อก็เลิกไปบางคนปฏิบัติไปแล้วสุขภาพไม่ดีก็มีอันต้องช้าไปบางคนปฏิบัติไปแล้วเกิดปัญหาเรื่อุปุถส์ต่างๆตามเข้ามาก็เกิดลาถอยไปอย่างนี้เปนน็นต้นหนึ่ง้องกั๋วหนี้มีอุบายสุขหนึ่งมาจากรู้สึกจะมาจากกรุงเทพนะก็ถามตามหาหลวงพ่อ ตั้งแต่งานอยู่ที่โคดีแดงแล้วก็วโทรไปเขามาหาไม่พบ <c oughs> วันนี้เขาตามมาอีกก็าถามเขาเรื่องนี้เรื่องว่าปฏิบัติเขาเคยบวชมาแล้ว <c oughs> ห้าเดือน <c oughs> บวชปฏิบัติแบบเรานี่แหละแต่ว่ามันตัดนิสัยแห่งความติดสุขไม่ได้ติดสุขติดปีติติดปัจธิทิด ปิตินะจิดวิปัสสนาคือหมายข้อจิตใจของเราลุ่มหลงไปทางใดทางหนึ่งลุ่มหลงไปทางรักก็รักจริงๆรงักมากๆลุ่มหลงไปทางเกลียดก็เกลียดไม่สุดขั้วอยากจะทําดีก็ทํามากๆจนเกินจําเป็นนะก็เป็นอย่างนี้ไม่สามารถชงดุลหยุดยั้งในสิ่งที่จิตมันไปตกลุมทุกล้องของฝ่ายดีก็เลยได้รตรวจสอบ เขาก็บอกว่าที่เราปฏิบัติมาตลอดเนี่ยเราสําคัญว่าเราอยู่กับความรู้สึกตัวแต่เราไปสาคัญมั่นหมายเอาตัวเนี่ยเป็นรูปเอาเอาร่างกายเนี่ยเป็นที่ตั้งของความรู้สึกตัวที่เป็นรูปเราไปเพ่งรูปไปเพ่งอาการของรูปที่หนักที่เจ็บว่าเป็นภาวะที่เป็นจริงเนนะ นั่นก็ทําให้อารมณ์นั้นปนปลอมระหว่างสมถะวิปัสนาเพราะจิตยังหนักอยู่ในสภาวะของรูปอยู่ยังแยกนามไม่ออกนั่นั่นบอกว่าให้ไปแยกให้เห็นความรู้สึกตัวล้วนๆให้ได้หมายถึงความรู้สึกมาที่ตัวแต่ไม่ใช่รู้สึกไปที่กายที่แข้งที่ขาที่มือที่ยกแต่ไม่ได้รู้สึกตรงนั้นแต่รู้สึกทั้งตัวก็เลยรู้สึกตัวเคลื่อนไหวให้รู้สึกตัว ไม่ได้บอกว่าเคลื่อนไหวให้รู้สึกทัมือทิ่เท้าแต่เคลื่อนไหวให้รู้สึกสึกตัวคือรู้สึกทั้งหมดตั้งแต่หัวจนเท้าเนี่ยว่ามันมีความรู้สึกในส่วนไหนบ้างเป็นอย่างไรตามรู้ตา ม, กตามแก้ตามปรับให้มันให้มันชัดไว้เสมอเนี่ยลักษณะ น, นี้ดังนั้นเวลาเราไปปฏิบัติเนี่ยเรามีอารมณ์ต่างๆเดี๋ยว ง, ง, ง, ง, ง, ง, ง, ง, ง่วงเดี๋ยวเหงาเดี๋ยวเบือ่อ เ, เดี๋ยวเสงเดี๋ยวคิดเดี๋ยวอ พออะไรสลากคนไปสลากคนมาอันนั้นคือเป็นสิ่งที่มาทดสอบใจเราท่านเองนะว่าใจของเราอยู่ตรงกลางจริงไหมถ้าใจเราอยู่ตรงกลางไม่ได้มันก็จะโดดไปกับอารมณ์ที่มานั่นแหละเวลาเบื่อทัานก็เลิกเวลาชันยันทัานก็ทําเวลาชอบทัานก็เอาเวลาไม่ชอบท่นก็ทิ้งอะไรตรงนี้ยมันก็จะทดสอบแต่ถ้าหากว่าเราเทโลวิปัสนาเป็นไม่ว่าเราอะไรที่ผ่านเข้ามาเราก็ดูเฉย สลัทิ้งไปสลัทิ้งไปสลัดทิ้งไปนำใจมาเฝ้าดูอยู่ตรงกลางตามดูไปเรื่อยๆ <c oughs> อันไหนที่มันจะเข้ามาติดมากาอก็สลัทิ้งไปอันไหนที่มันผ่านไปก็ผ่านเลยนะแต่ในส่วนที่พยายามทำอย่างนี้มันก็เป็นกุศลกรรมนะได้ใช้สติได้สมาธิใช้ปัญญาใช้ความพยายามวิทยาอุตสาหตัวเนี้ยที่มันจะนะทาให้เราเข้าใจนะ เวลานั่งไปเวลาง่วงม ร, รู้สึกตัวเราก็ต้องปรับเรื่อยๆถ้าเรานั่งในท่าเดิมมันก็ง่วงไปเรื่อยๆใช่ไหมถ้าปรับปั๊บมันก็เลื่อนลงมันก็กระจายก็ตื่นตัวใหม่การปฏิบัติมันจะช่วยให้เราปรับได้โดยวิธีรู้สึกตัวได้ง่ายพ่ขาขณะนี้เรานั่งสบายไ ม, ไม่สบายอย่างไรปรับลักษณะนี้เขาเรียกว่าสติก็จะมีกําลังแต่ถ้าเรานั่งท่าใดท่าหนึ่งเราแช่โดยที่ไม่ปรับไม่เปลี่ยนไม่เคลื่อนไม่ไหวนะสติแล้วก็จะอ่อนกําลัง เพราะว่ากำลังของอินทรีย์เนี่ยมันมีปัญหากำลังของจิตก็พอยมีปัญหาไปด้วยมันสัมพันธ์กันนั้นก็คอยเฝ้าดูสังเกตปรับเปลี่ยนเรื่อยๆให้สบายอันไหนไม่สบายก็คอยแก้ไขปรับเรื่อยๆอันนั้นเป็นตัวของสติสัมปชัญญะช่วยให้เราเกิดความโปร่งเบาสบายแต่ถ้าขาดสติสัมปชัญญะมันจะหนักยานุ่งจะทวงจะทําเงี้ยไม่สนใจมันก็หนักไปเรื่อยใจไม่สบายกายไม่สบายใจก็ไม่สบาย เขาใจไม่สบายก็เป็นเหตุก็ให้เกิดโมหะความงงความเงาความเบื่อความซึ้งความขี้เกียจความเบื่อความเบือจะแก้ยากแล้วทีนี้มันมันมันมัหนักแก้ยากถ้าปรับก็ปรับให้แรงหเลยปรับให้มันชัดไปเลยเปลี่ยนไปคนละท่าเปลี่ยนไปคุณะทีอันนี้เขาเรียกว่าความเพี้ยนเพียนแปลว่ากล้าหาญนะไม่ใช่ว่าเพียนไม่ใช่ว่าเบื่อใดเท่าถอยกล้าในการที่จะปรับจะเปลี่ยนจะขึ้ื่อนจะไหวให้มันชัดชัดให้มีกําลังนะ ดังนั้นเองก็วันนี้ตามที่กิจกรรมเรา้แจ้งทานเช้าว่วาเออวันนี้จะมีการทำบุญทําทานของญาติโยมแล้วก็ใหได้อนุโมทนาส่วนบุญเขาด้วยนะเพราะนั้นในช่วงเวลาที่เหลือนี่กกลับไปเดินจงกรมไปสร้างจังหวะที่พักของเราดูว่าเราสังเกตเห็นความเหน็ดเหนื่อยเมือ่อยล้าความอ่อนเพลียเปียแรงเป็นยังไง ใจเป็นยังไงสังเกตเห็นความอยากสบายต่างๆเป็นยังไงเราสามารถที่จะทวนกระแสมันบ้างได้ไหมมันก็ฝึกไปไงี้เขาเรียกฝึกปฏิบัติธรรมคือฝึกกับของจริงไม่ได้ฝึกให้จิตสงบไม่ได้ฝึกเอาความสุขคว า, ามสบายอะไรนะฝึกเพื่อให้สังเกตเพื่อให้ศึกษานี่ที่ว่าวิปัสสนามันยากมันยากตรงนี้ คือเราจะต้องกระตือร้นในการศึกษาเรียนรู้ในสิ่งที่เกิดไม่ใช่แช่ไม่ใช่เสยไม่ใช่เสพในความสุขสงบที่เกิดแต่ว่าปรับให้เห็นความสุขความทุกข์ให้ชัดๆว่าสบายไม่สบายชัดๆเป็นอย่างไรนะก็ลองไปทำดู